รตราบใดที่ต่อและรากของมันยังอยู่ในไม่ช้ามันก็จะงอกขึ้นมาอีกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาทีนี้อตาตมาค่ายจะขอถามท่านเชิญท่านผู้เจริญถ้าเราจะทำลายต้นไม้นั้นให้สิ้นซากไม่ให้งอกขึ้นมาได้อีกเราควรจะทำอย่างไร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 ก็ต้องทำลายที่ราบทุกคือตัณหานี้ถ้าเราทำลายทุก์ได้แล้วลําต้นกิ่งใบของทุก์ก็คือชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําลายทําไมไม่ต้องทําลายล่ะท่านผู้เจริญเพราะในไม่ช้ามันจะเหี่ยวเฉาตายไปเองตามกาลเวลาไม่เข้าใจเลยมองไม่เห็นเลยว่าลําพังความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกได้อย่างไง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 ชีวิตนี้เป็นส่วนผลซึ่งเกิดมาจากเหตุคือตันหาปัญหาเป็นอะไรตันหาเป็นตัวเหตุมีหน้าที่ทําอะไรคอยบังคับชีวิตให้เต้นไปตามจังหวะแห่งทุกชีวิตเป็นแต่เพียงหุ่นให้ตันหาเชิดตราบใดที่ยังมีตันหาตราบนั้นชีวิตก็เป็นทุกข์ถ้าหมดสิ้นตันหาล่ะชีวิตก็เป็นเพียงสภาวะธรรม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 กรุณาอธิบายด้วยกามตัญหานั้นความอยากในกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรส พ, ทพุทธะธรมารมภาวะตัญหาละ่ะภวะตัญหาความอยากในภพคืออยากเกิดอีกในทั้งสามภพภพใดภพหนึ่งรวมทั้งความอยากให้พบที่ตนได้อยู่แล้ว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 ไม่ใช่จะมีได้ง่ายๆท่านผู้เจริญบอกว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ใช่ได้ง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วสุราเมทะเขาพรเจ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเขาพรเจ้าพร้อมที่จะฟังอยู่แล้วท่านเรวัตะท่านต้องการเป็นเศรษฐีมีเงินแปดสิบกฎ นั่นไม่ใช่ว่าท่านนั่งหลับตาคิดแล้วทรับแปดสิบโกดก็ลอยมากรออยู่ตรงหน้าท่านท่านจะต้องทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรเน็ดเหนื่อยลําบากเก็บหอม อ, อมริบเป็นเวลานับสิบสิบปีจึงจะหาทซั์จํานวนนั้นได้สมมติว่าท่านต้องการความรู้แค่ว่าท่านนั่งหลับตาคิดอยู่ครู่เดียวท่านก็มีความรู้แตกฉานในศิลปศาสตร์สิบแปดประการ ท่านจะต้องเดินทางไปเมืองตักกัสลามอบตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ทิสาปามโมกตั้งใจท่องบนสาธยายบทเรียนด้วยความอุตสาหะปฏิบัติบำ ร, รุงอาจารย์ด้วยความเอาใจใส่เป็นเวลาหลายปีจึงจะได้ความรู้เพราะเหตุนี้ท่าพระเจ้าจึงพูดว่าไม่มีใครในโลกที่จะได้สิ่งที่ตนอยากได้ตามเวลาที่ตนอยากได้ไม่ว่าจะมีทรัพย์มากมีอำนาจมาก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 แล้วเอาฟืนใหม่ใส่เข้าไปไฟก็สงบลงแต่ในไมช่ช้ามันก็ลุกโฉดช่วงขึ้นมาอีกเขาต้องรีบเอาฟืนใส่เข้าไปไฟก็เลยกลายเป็นกองใหญ่ลุกโฉดช่วงยิ่งขึ้ น, นทำให้เขาต้องหาฟืนมาใส่เปลวไฟก็ยิ่งลุกโผรงขึ้นสูงก็พเจ้าขอถามท่านว่าในพรานคนนั้นจะสามารถอัชนะเปลวไฟ น, นั้นด้วยวิธีนั้นได้หรือไม่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 วันนี้ข้าพเจ้าขอลาก่อน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 ฟังเหมือนเวลาหกเทพประบุขับต้นหมู่เมฆให้เป็นลังสายน้ำตามนิคมชนบทต่างๆอย่างดุเดือดนำความชื่นท่ามาให้แก่มนุษย์และทุกชนิดอย่างเหลือล้น จำพรรษาพระเวลุวนารามด้วยความสงบสุขไม่มีศัตรูของพระศาสนามาเบียดเบียนกลั่นแกลง้งบรรดาเดียรถ์ถีนิครนนักปร า, าศตาสดารละที่อื่นๆคงเห็นความสามารถเลยเข็ดขยะไปตามๆกันไม่มีใครขันนาสาสู้ด้วยทำมายุทธนาการอีกในพรร น, นี้ได้เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติเป็นประจาทุกวันแม้แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้เสด็จมาฟังพระธรรมเทศนาแต่บําเป็นกุศลที่พระอารามเป็นครั้งคราวแต่ในระยะหลังนี้สังเกตเห็นพระองค์มีพระพักมนหมองไม่ค่อยตรัสอะไรมากนกะเงียบขรึมคล้ายมีปัญหาหนักในพระทยัย มหาปพิธอาตมาสังเกตเห็นพระพักพระองค์หมนหมองมีพระกิริยาเงื่องหง่อยคล้ายมีทุกข์อยู่ในพระทยัยถ้ามีอะไรที่อาตมาพอจะช่วยได้อาตมาก็ยินดีพระพุทเจ้าโยมมีทุกข์ในใจจริงเป็นความทุกข์อันหนักหน่วงที่สุดเท่าที่โยมเคยประสบมาความทุกข์นั้นมีอะไรเป็นเหตุมหาปพิธเมื่อไม่นานมานี้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 มากกว่าจะถูกฆ่าแต่เพราะความโง่เขาความหลงผิดและความโลภทําให้โยมตาบอดและปลงพระช น, ะชนกของตัวเองเพราะเหตุนี้โยมจึงเป็นทุกข์ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกเหมือนอยู่ในกองไฟตลอดเวลาตุกลังที่ได้เห็นหน้าลูกหรือได้ยินเสียงลูก ยอมรู้สึกเสียวสะดุ้งในหัวใจดุดถูกขอเสียแทงบางครั้งยมอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลเพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าลูกไม่ได้ยินเสียงลูกแต่อะไรมห า, าพิโยมไม่ส า, ามารถทำเช่นนั้นได้เพราะความรักลูกขอพระคุณเจ้าช่วยโปรดยมด้วยมห า, าพิธเรื่องราวของพระองค์ เป็นเรื่องน่าสงสารเห็นใจอย่างยิ่งและอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขยากที่จะแก้ไขแล้วจะทํำยังไงดีล่ะพระคุณเจ้าโปรดช่วยโย้มด้วยนะฟังอาตมาพูดจบสกอดมหาปพิธถึงแม้เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขก็จริงแต่สําหรับอาตมาแล้วไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยจริงเหรอพระคุณเจ้าจริงสิมหาปพิธ อาตมาเคยประสบกับทุกแบบนี้มาแล้วในตอนแรกอาตมารประสบทุกขอย่างหนักแต่ต่อมาภายหลังทุกนั้นก็บรรเทาลงได้เพราะคุณเจ้าทําอย่างไรช่วยแนะนําโยมด้วยเถิดเท่าที่ทุกบรรเทาลงได้นั้นก็เพราะอาตมาได้เข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา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 อาตมาก็เล่าเรื่องความฝันถวายท่านอย่างละเอียดขพเจ้าฝันอยา่างที่เล่ามา<ล>นี้นบวขพเจ้าฝันร้ายใช่ไหมท่านอาจารย์ถูกแล้วเมวัชเธอฝันร้ายเธอกำลังเสวยวิบาทุ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 ทำไมจะต้องเรียกแก้ไขด้วยล่ะท่านอาจารย์ถ้าเธอไม่คิดหาทางแก้ไขก็จะเป็ น, ปนอันตรายแก่ผมอาจารย์ แ, <ต>แล้วจะแก้ไขด้วยวิธีไหนท่านอาจารย์โปรดช่วยแนะด้วยการที่เธอทําผิดแล้วสํานึกผิดและได้รับความทุกข์ใจนี่เป็นก้าวแรกในการระดับทุกข์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 พระเจ้ากำลังตกนรกเย่นนั้นเถิดท่านอาจารย์ถูกแล้วเร ว, วัตจักเธอกําลังตกนรกกําลังใช้หนีกรรมเก่าของเธอเปรียบเหมือนบุรุษเป็นหนี้เข้าหนึ่งพันกหาปณะนะและกําลังผ่อนใช้หนีวันละสิบกหาปะนะในขณะที่กําลังใช้หนีอยู่นั้น บุรุษนั้นอาจจะประสบทุกท์กและกดเดือดร้อนเพราะการหาเงินใช้นี่แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ภูมิใจว่ากำลังผ่อนใช่นี่กำลังผ่อนทุกของเข้าเขาเชื่อมั่นว่าถ้าผ่อนใช่นี่ต่อไปโดยวิธีนี้วันหนึ่งเขาจะเป็นอิสระ แล้วมีความสุขตรงกันข้าม